ที่ จะทำให้เราไปสู่เป้าหมายก็คือขั้นวิปทานนะหรือว่าความพ้นจากความทุกข์นะกุฏิอวบะทานนี่แน่นเป็นทางที่สามารถไปสู่นักตนวิปพานได้นะปฏิเสล ว, ว่าความรู้ได้นะตัดปฏิเชญญอคือความรู้ตัวนะนั้นทางที่จะหรือทางหรือวิธีการที่จะทําให้เราไปถึงวิพทาน คือความต้รู้นคือการที่เราเระลึกนะระลึกให้ได้แล้วก็เมื่อระลึกได้มันจะเกิดความรู้ตัวเราจะระลึกอะไรนะบางทีนนคนพอคิดถึงระลึกนะเราจะคิดว่าเราต้องคิดนะเช่นเราจะต้องระลึกชื่อคเนี้ยคือเราต้องคิดนะเราจะระลึกถึงเหตุการณ์อดีตเราต้องคิดนะแต่ของการะลึกได้นะในในหมาปติปฐานนั้นคือ การระลึกรู้ถึงการมีอยู่นะของกายแล้วก็มีการมีอยู่ของใจรนะ ล, ลึกที่ตรงไหนระ ล, ลึกที่ปัจจุบันนะกายทําอะไรนะคอยระ ล, ลึกกลับมารู้สึกตัวว่ากายกำลังนั่งนะตอเ น, นี้ยกายกำลังนั่งกลับมาระ ล, ลึกรู้ว่ากำลังนั่งอยู่กายกำลังหายใจเพียงแค่ระ ล, ลึกว่ากาลังหายใจอยู่ เราก็เก er ิดความรู้ตัวกายกําลังเดินเราก็ระลึกกลับมาว่ามันกําลังเดินอยู่เนี่ยคือคีย์เวิร์ดสำคัญคือการให้เรามีความระลึกกลับมาอยู่กับปัจจุบันมันจะเกิดความรู้ตัวเกิดความรู้ตัวเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เจะไม่ค่อยรู้ตัวก็คือว่าเรานั่งหรืองนี้จำทีความคิดนมันก็จะแว่นนั่นแว่นนี่ กายเราไม่มีตรง น, นี้บางทีใจเราไม่อยู่ที่ตรง น, นี้ไม่อยู่กับปัจจุบันนั้นเราพยายามเราเลือกรู้ตัว บ, บ่อยๆการเลือกรู้นะรู้สึกถึงกายที่กำลังทำก็ได้เมื่อไรที่เราเห็นกายที่กําลังทําอะไรนะมันจะสือกายเลือกรู้แล้วกลับไม่อยู่กับปัจจุบันกลับมาจากความคิดต่างๆหรือบางทีบางคนก็เลือกรู้ในฐานเวทนาเวทนาคือ ความสุขความทุกข์แล้วก็ความเฉยเฉยของจิตใจรู้ว่าตอนเนี้เฉยเฉยไหมบางคนก็ใจเฉยเฉยบางคนใจอาจจะมีความทุกข์มีความทุกข์บางคนอาจจะมีความสุขสงบดีได้มาสวดมนต์ได้มานั่งพ่อแก่ะแล้วก็แค่เรารู้ว่าใจนะเวทนาเป็นแบบไหนะหรือบางคนก็รรู้ถึงจิตนะจิตก็คือ มันอาจจะรู้ที่เรียกว่าเป็นอาการของจิตนะเช่นจิตตอนนี้ฟุ้งซ่านจิตตอนนี้มันหรือว่าจิตตอนนี้มันมีโทสะจิตตอนนี้มีโมหะจิตตอนนี้มีโลภะก็เริ่มรู้อย่างที่มันเป็นนะหรือว่ารู้ว่ามันคิดของในใจรู้จิตตนนี้มันเกิดไปคิดน่ะมันแกบเป็นคิดมันมีความกังวลหรือจิตตอนนี้มันปกติมันธรรมดามันอยู่เนื้อกับตัว อันนี้สื่ความยึดได้คนระับึหรือว่าเราถึงทำมาโดนในสิ่งต่างๆมาได้ทำมาโดนี้กว้าง ม, มากแล้วก็ละเอียดนะขอข้ามไปก่อนนั่นคือที่จริงเราเพียงแค่การรู้ว่ากายหรือว่าใจตอนนี้ยมันเป็นอะไรรู้อะไรก็ได้นะอกายตอนนี้ทําอะไรอยู่ใจตอนนี้ทำอะไรอยู่เมื่อ น, นั้นอ่ะ คือการที่เราเกิดความรู้ตัวขึ้นมาเมื่อเราเกิดความรู้ตัวเราจะเห็นว่าไอ้ที่เราเห็นมันเป็นเพียงแค่อาการของกายนะมันไม่ใช่เราถ้าเราเป็สติเป็ความรู้ตัวอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยเราเดินอยู่นะมันก็จะเห็นว่ามันเป็นกายเดินสติเป็นผู้เห็นเมื่อเรือลูดจิตใจเห็นความคิดมันเถือไป เราก็เห็นว่าไอ้ที่มันคิดเนี่ยมันไม่ใช่เรามันเป็นจิตคิดจิตมันหรืออยู่ดีๆมันเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเห็นความไม่พอใจมันก็เป็นเรื่องของของจิตใจมันไม่ใช่เรื่องของเราเราลองดูดีเนาะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยกายหลายางมันก็ทำของมันเองเนาะบางทีเราไม่ต้องตั้งใจนะมันก็ทําของมันเองมันพยักหน้าของมันเอง มันหายใจเข้าหายใจออกมันเองน่ะมันร้อนมันหนาวมันก็เป็นของมันเองน่ะมันปวดเมื่อยปวดขาปวดคอปวดท้องมันก็เป็นของมันเองใช่ไหมเราเพียงแค่รู้รู้ว่ามันเป็นอะไรแค่นั้นแต่บางอย่างเราก็ทําด้วยความตั้งใจในการเปลี่ยนมันเปลี่ยนท่านั่งหรือเปลี่ยนจังหวะการหายใจเราก็ค่อยเลื่อรู้น่ะ หรือตั้งใจยกมือสร้างกันบังเราก็จะเห็นว่าโอ๊ะกายถ้าเราเห็นแค่ว่าสัตว์ับแต่ว่ารู้มันจิตเฉยเนี่ยเราจะเรียกว่ามีสมาวะมีความรู้ตัวเกิดขึ้นมาเมื่อเราเห็นว่านี่มันเป็นแค่ตัวที่ทํามันไม่ใช่เราเมื่อนั้นเราจะเริ่มนเข้าใจธรรมะแล้วว่ารู้กายก็สัตว์แต่ว่ากายนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา หรือเมื่อเราเริ่มคือว่าเวทนาความสุขความทุกข์หรือความเฉยนะมันเกิดขึ้นมาเมื่อเราเห็นนะที่เวทนาก็เป็นสักแต่ว่าเวทนานะความสุขความทุกข์ความเฉยเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเป็นเพียงแค่อาการของจิตใจหรือความคิดความรู้สึกต่างๆที่มันปูแต่งขึ้นมาเนี่ยที่มันก็เป็นจริงถึงที่มันเกิดขึ้นเองนะไม่ได้ตั้งใจคิดนะมันคิดของมันเอง ไม่ได้ตั้งใจจะโกรธนะมันโกรธมันเองเข้าใจไหมไม่ได้ตั้งใจอย่ยามนะแต่พอามเห็นมันอยากมันเองน่ะมาเป็นความรู้ที่มันเกิดขึ้นเองเราก็จะเห็นว่าจิตก็สัพเรียกว่าจิตนะไม่ใช่สัพท์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้แหละเมื่อเราเป็นสติเราจะเห็นมันนะจะเรียกว่ามีปัญญาก็ได้นะมีปัญญาในการเห็นเห็นตามความเป็นจริงนี่แหละปัญญาในทางพุทธศาสนาเนี่ย ไม่ได้ไปเห็นอะไรนอกตัวนะคือการกลับมาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเนี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกใจใจเนะี่ยคอยกลับมาเห็นบ่อยอันนี้คือหลากสาคัญนะดะงนั้ น, นมหาปฏิปท า, านคือการอนะราเลิกได้แล้วก็เกิดความรู้ตัวเนี่ยแหละเป็นทางสู่ปัญญาเป็นทางสู่ความพ้นจากความทุกข์นะเมื่อไหร่ที่เรามีสตินะเห็นกายแบบว่ากายเนะี่ยเช่นการเจ็บ เมื่อเราสัตว์จะไหเห็นนะมันก็จะเป็นเพียงแค่อาการของกายนะอาการกายเจ็บอาการกายแก่อาการของกายตายการของกายเหนื่อยถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะไม่ทุกข์ทศวรรษที่ว่าเห็นเนี่ยเห็นแล้วไม่ทุกข์เห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะเหตุเกิดด้วยนะเห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์เมื่อเราเห็นแล้วมันจะไม่ไม่เป็นเพราะว่าเราแค่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของกาย เวทนาหรือจิตใจก็เหมือนกันถ้าเราเห็นนะมันก็เกิดขึ้นธรรมดานะไม่ใช่ว่าเราภาวนาแล้วมันจะไม่มีอไม่มีโลคโกรธหลงไม่มีสศกไม่มีทุกทุกอย่างต้องเฉเฉยทุกอย่างต้องนิ่ง่งปกติไม่ใช่ต้องไม่มีควคิดไม่ใช่ทุกอย่างมัน ม, มีมีเพราะมีเหตุมันก็เลยเกิดขึ้นแต่คนที่มีสติจะเห็นอะไรเห็นความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่แล้วกความดับไปของทุกอย่างนะสิงที่เกิดขึ้นกับกายจะเหมือนกันเช่นสมอติความเจ็บเกิดขึ้นกักายเห็นตอนนี้เห็นตอนแรกมันยังไม่เจ็บเข้มมันเจ็บขึ้นมามันตั้งอยู่สุดท้ายพอเห็นมันความเจ็บก็ดับไปหรือว่าจิตใจตอนแรกใจตอนแรนบางทีใจปกติอยู่ท่าตั้งหนึ่งใจเจ้าเกิดคิดเกิดขึ้นมา พอรู้ตัวความคิดกดับไปเนี่ยเราเห็นความธรรมดาของกายเห็นใจนะเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยเห็นตัวเนี้ยเรียกว่าเห็นธรรมะถ้านเมื่อไหร่ที่มีสติปฏิเสธตัวเนี้ ย, เ, เ, ห เ, ยเห็นรู้ทันนะแต่แต่ก่อนเราจะไม่รู้ทันพอมันเจ็บเราก็กลายเป็นผู้เจ็บ <c oughs> พเพราะอะไรใจเราไปอยู่กับสิ่งที่เจ็บแ้วเราก็คิดว่าเราเจ็บ เมื่อใ่มันคิดใจก็เลยไปอยู่กับความคิดเราก็เลยกลายเป็นผู้คิดกลายเป็นผู้สุขผู้ทุกข์กลายเป็นผู้พอใจผู้พอใจกรรมความคิดนะมันก็เลยกลายเป็นตํารวจแต่พอเมื่อใดเราเห็นนะมันคล้ายถอนใจลกมาเป็นผู้ดูมันก็เห็นว่ามันเป็นเพียงแค่อาการนะมันไม่ใช่เรานะเป็นเียแค่อาการของรูปเป็นเพียงแค่อาการของงามเป็นเพียงแค่รูปมันสุข มันทุกข์นะฮะมันเป็นโลกของรูปเป็นโลกของนามไม่ใช่แค่เราเนี่ยมีสติสัมปชัญญะมันจะมีสภาวะอะไรเนี่ยมันเลยพอเรามีมีสภาวะเนี่ยมันก็เลยถอนถอนอะไรถอนความถอใจและความไม่ถอใจในรูปในนามไม่ได้นะเราคีเราก็ไม่พอใจนะที่มันเจ็บนะเราก็จะถอนมันมาได้เมื่อเรามีสติ เราไม่พอใจนันที่มันคิดนะแต่พอเรามีสติเราจะถอนความไม่พอใจนั้นได้หรือบางทีความคิดบางอย่างมันก็มีความพอใจนะคิดรักคิดอะไรต่างบางทีไม่ได้คิดชังบางทีเราก็ยังพอใจนะอ่าได้โกดตัวนี้เราสึกสนุกดีนะล้วก็คิดแล้วก็พอใจพอใจก็ไปยินกับนันใช่ไหมพอเรารู้ตัวแล้วก็ออกมาออกมาไพูดดูเนี้ยเราจะ็ถอน ความพอใจแล้วพอไม่พอใจในสภาวะของรูปของนามได้เนี่ยคือมีสติส ต, สติเมื่อมันมีประโยชน์นี่แหละมันก็เลยสังเกตตอนที่เรารู้สึกตัวเมื่อนั้นจิตมันก็ไม่ทุกข์เนะมื่อนั้นจิตที่รู้สึกตัวเมื่อนั้นจิตมันก็เป็นปกตินะสภาวะปกติเนะี่ยจะเรียกว่าสภาวะนิพพานก็ได้นะมันอา จ, จะไม่ใช่นิพพานแบบถาวร แตเป็นสภาวะที JI ่เรากลับมาหาตวามเป็นปกติของจิตใจจิตใจที่รู้ตัวมันนั้นมันจะตลัดคือทุกอย่างให้กับให้กับโลกนะมันสลัดคืนความคิดความคิดมันคิดมาพอเรารู้ตัวเนี่ยมันก็คืนไปแล้วมันก็ไม่คิดต่อความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาพอเรารู้สึกตัวนะ้มันก็สุขก็เรื่องของสุขทุกข์ก็เรื่องของทุกข์เราก็อยู่สภาวะปกติธรรมดา เจ็บก็เหมือนกันนะหือปวดหรือหิวก็แล้วกันพอเราปฏิสิตเราเห็นมันก็เป็นเป็นตภาวะของร่างกายไม่ใช่สภาวะของเรานี่เราพยายามฝึกนี้แหละนฝึกแค่การเปฏิสติอย่างเดียวนะจะทำให้เราเข้าใจทุกอย่างนะเริ่มต้นจากกาที่เราเข้าใจตัวเราเองนี่แหละะคอยกลับมามีสติดูกายดูใจบ่อย มันจะเห็นมันจะเห็นร่างกายตามความเป็นจริงมันเห็นจิตใจตามความเป็นจริงเมื่อใดที่เราเห็นรนะ่างกาย จ, จิตใจตามความเป็นจริงนั้นแหะเรียกว่าเห็นเห็นอริยสัจก็ได้นะอริยสัจข้อแรกคือท่านบอกให้เราเรียนรู้จักทุกนะทุกนะทุกคืออะไรทุกคือกายแล้วก็ใจเนะี่ยมันเป็นทุกดูดีๆนะเอ่อนะ กายมันเป็นทุกข์ไหมเราดนะเดี๋ยวเราเร่มสุกนะนะดูดีๆมันสุกหรือทุกข์นะมันทุกข์มากหรือทุกข์น้อยหรือสุกมากทุกข์น้อยเราดูพระเจ้าบอกว่านะกายเนี่ยมันเป็นทุกข์ทุกข์แบบไหนทุกข์เพราะมันไม่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาตินะเราก็ต้องดูเราก็จะเห็นกายเราพุกขึ้นทุกวันทุกวันขึ้นทุกเพราะความแก่ทุก์ทุกเพราะความเจ็บ ทุกข้อความตายตายแล้วก็ตื่นใหม่แก่ใหม่เจ็บใหม่ตายใหม่บนวนน่ะมันพุบนะหรือจิตใจก็เหมือนกันนะสังเกตตอนเราใายมันพุบไหมตอนปวดมันพุบไหมตอนอยากได้เลยมากๆเนี่ยมันพุบไหมนะหรือได้มาแล้วมันมีใจมันมีความสุขเนี่ยมันคงที่ไหมความสุขที่มันเคยมีก็ฟุบลงมาก็คือลดลงไป หรือว่าดับไปเนาะทุกอารมณ์นะเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือสภาวะที่มันเป็นทุกข์ที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันบังคับไม่ได้เนี่ยเรากลับมาเรียนรู้ตรงเนี้ยดูดีๆเมื่อเราเห็นว่ากายแล้วก็ใจเนี่ยมันเป็นทุกข์เราจะเห็นว่าที่จริงมันมันเป็นทุกข์ตัวสภาวะของมันนะแต่เราถ้าไปสำคัญนั่นหมายว่า ไอ้ที่เป็นทุกข์น่นมันเป็นเราเมื่อนั้นนะมันเตือนทุกข์ทั้งกายทุกทั้งใจนะเมื่อเราไม่รู้ตัวเราก็เลยเป็นสำคัญทั้งหมายว่าร่างกายของเราทุกข์เมื่อเราไม่รู้ตัวเราก็จะเป็นคิดว่าจิตใจของเราทุกข์นะแต่ถ้าเรารู้ตัวนะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ากายมันเป็นทุกข์เห็นว่าใจมันเป็นทุกข์ มันไม่มีเรานะถ้าบเสวดมนต์ธรรว่าเช้าเขาจะบอกว่าว่าโดยย่อย อ, อุปทานขันทั้งหน้าเป็นตัวทุกตัวทานคือการที่เรามีความเห็นคิดแล้วก็เลยไปยึดไปยึด ต, ตัวทุกเป็นเราก็เลยเกิดเป็นความทุกนั้นคนมีปัญญาเพียงแค่พระอุปทานรักความเป็นเราเมื่อไหรที่เราเป็นผู้เห็น เมืนั้นมันก็เลยละมันเป็นเราออกไปไอ้พทุกก็เป็นวิเคราะห์ขันขันมันทุกไม่ใช่เราทุกนะโดยดีเราะเห็นว่านี่มันเป็นทุกของร่างกายนะมันเป็นทุกของจิตใจน้อยใช่ทุกของเราจะมีสติมันจะถอนมันนะถอนออกมาเห็นไหมว่าเพราะความอยากนะเราอยากจะให้มันดีเราอยากจะให้มันสบาย เราไม่อยากให้มันพุ่งนะาอยากจะปรุงต่อเนี่ยมันคือเกลียดที่จริงถ้าเราไม่ยิ้นรนเนาะถ้าเราไม่ยิ้นรนเนี่ยมันก็ไม่พุ่งแล้วนะลองดูถึงเกลียดนะจิตที่ดิ้มรนนะดิ้นรนอยากจะไม่มีความสุขอย่างเดียวดิ้นรนอยากจะให้มันนสบายดิ้มรนอยากจะให้มันหายเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราดิ้มรนมากๆนะมันพุ่งนะ เราสังเกตดูจิตที่ดีบโรนนั่นแหละคือจิตที่ทุกข์แต่จิตที่ยอมรับความจริงเนี่ยมันมีทุกข์สังเกตไหมเช่นสมมติเอางายง่ายเช่นตอนนอนนะสมมติตอนนอนนอนแล้วนอนไม่หลับนอนแล้วมันมันคิดวงซ้านะเราสังเกตจิตที่มันดิ้นเช่นไรดิ้นอยากที่มันหลับดิ้นอยากที่มันมีคิดมันทุกข์เนาะใช่ไหม จิตมันคิดจมนมันอยากจะ้พี่หลับมันไม่อยากคิดมันอยากพัาเงนะบางทีจิตก็ดิ่นคิดไปตามของคิดนะนะก็คือมันเลยทุกเนาะแต่ถ้าสมมตินอนพี่หลับก็ดูนอนพี่หลับดูร่างกายนอนอยู่ดูจิตใจมันคิดใจัไม่กังวลด้วยเนี่ยไอ้นอนพี่หลับมันไม่ทุกนะเออใจไม่ทุกเนะ่ร่างกายก็อจะอาจจะทุกเพราะความไม่ได้พัก แต่จิตใจมันไม่ทุกเน่ใช่ไหมหรือสังเกตเวลาสมมมีคนดีนทามาว่าสมมติถ้าเราเพียแค่ได้ยินเสียงเราเีงแค่รู้สึกว่าใจพอใจไม่พอใจมันไม่ทุกนะแต่เมื่อไรที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยเสียงที่ได้ยินความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่พอใจความคิดปรุงแต่งที่ไดไปว่าเขาไม่ชอบเขาม่คเกิดขึ้นมา นั่นใจระพุคือใจมันดิ้นนลใจมัพอใจแต่ถ้าแค่ยอมรับทำตามเป็นจริงเนี่ยใจจะมีปุกขแล้วนหรือแม้แต่เวลาเราปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมในรูปแบบนะแต่มีจะมีความคิดเกิดขึ้นมาเยอะเรียกไว่าเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันีคิดเยอะนแต่ถ้าใจเราดิ้นนลเช่นเราไม่เข้าที่มันคิดเยอะเราก็ดิ้นนลที่พยายามทําให้มันไม่คิด เน่ยดิ่นตนทำให้ ม, สมัสงบแต่ยิงย่งดิ้นมากนะก็ยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งทุกข์นะฮหรือบางทีมนคิดมากแล้วเราไม่พอใจเราก็ยิ่งทุกข์นะดิ้นดิ่งดิ้นพยายมที่จะหาวิธีทําให้มันหายให้ได้แต่สังเกตนะเหมือนแค่เรานิ่งนิ่งนิ่งในการดูนะนิ่งในการแค่ดูนะมันเฉยเฉยนะทันหุดทันทีเลยเนาะ จิตที่ดิ้ดนรนคล้ายๆเหมือนคนที่ยวาแสวงหาความสุขนะอ่าหาความสุขในกัรวิ่งไปหาที่นั่นที่นี่นะคิดถ้าว่ามีนั่นจะมีความสุขคิดว่าได้นั่นจะมีความสุขแต่จริงมันไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงนะแต่เพียงแค่เราหยุดนิ่งดูสภาวะเฉยๆเนี่ยจิตมันไม่นิ่งจิตที่มันไม่ดิ้นนั่นแหละคือจิตที่มีความสุข จิตที่เป็นปกติน่ะจิตที่ไม่ดิ้นไม่ใช่ไม่มีสภาวะนะแต่เรามีสติเป็นเนพียงผู้ดูเฉยๆมันกเลยมีทุกแล้วนะอันนี้ก็ได้เห็นว่าสาเหตุของความทุกข์คือความความอยากความไม่อยากในใจนี้แหละนตะ่จะได้อี่อยา่างหนะึจิตมันดิ้นรนก็ได้ดิ้นรนอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ดิ้นรนอยาจะรู้นั้นรู้นี่นะดิ้นรนอยากจะเป็นพระอราหันต์นะ่ จิตมันจิตมันมันดนะินั่นแหละทุกนะเนี่ยคือเราต้องกลับมาดูความรู้สึกตรงนี้นะเมื่อจิตมันไม่ดิ้นนะจิตมันก็เป็นปกติจะเรียกว่านิโรธก็ได้นะก็คือค้นจากความทุกแล้วทําแค่นี้นะธรรมะไม่ได้มีอะไรมากไปว่านี้นะเป็นเพียงแต่ ว, ว่าพยายามกลับมารู้จักจิตเยอะๆนะการรู้สึกตัวเนะนะี่ะเป็น เป็นเบื้องต้นเป็นท่ากลางแล้วก็เป็นที่สุดของการปฏิบัติธรรมก็ได้นะถ้าเรารู้สึกตัวอย่างถูกต้องนะถูกต้องเรื่อยอย่างที่พระเจ้าท่านพาบอกว่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีคือตรงนี้นะถ้าเรารู้สึกตัวได้เนี่ยนะมันจะเข้าใจพวกนี้ไปเรื่อยแต่ถ้าเราภาวนาแล้วไม่มีความรู้สึกตัวนะ จะภาวนานานขนาดไหนมันก็ไม่เกิดปัญญาเพราะอะไรการรู้สึกตัวคือการที่เราภาวนานในการมีสติเห็นหนู่เห็นนานนะไม่ใช่เอาจิตเราไปอยู่กับเท้าไม่ใช่เอาจิตไปอยู่ที่มือไม่ใช่เอาจิตไปอยู่ที่ลมหาย ใ, ใจไม่ใช่เอาจิตมาเพ่งดูความคิดดูจิตข้างในแต่การรู้ตัวเนี่ยเช่นเรารู้กาย เราจะเห็นกายมนรู้สึกตัวทัวขพร้อมเห็นกายลงนั่งเห็นกายกลเดินเห็นกายกำลงนอนเห็นกายกยืนเห็นกายหายใจเห็นกายมันเคลื่อนเห็นกายมนนิ่งเห็นกายลถ่ายอุจจรระเห็นกายถ่ายแบบบัสวะนี่คือสิ่งที่เราจะรู้สึกตัวทุกว์พร้อม เห็นกายในตายหรือเป็นประจำหรือการรู้สึกตัวเห็นความคิดเนะมื่อใจที่มันเผลอขึ้นคิดแล้วสติยันรู้ทันความคิดจะต่กไปอารมณ์มเกิดขึ้นมาพอสติรู้ทันอารมณ์มันต่อไปนั่นเรียกว่าจิตมันเห็นจิตเนะมื่อจิตเห็นจิตอย่างแจ่แจ้เนะี่ยเราสื่อกาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยความรู้สึกตัวนะจะทําให้เราเห็นตาย สัตว์แต่ว่าตายเห็นใจก็สัตว์แต่ว่าใจเราสะสมเนี่ยความรู้สึกตัวไปเรื่อยนี่คือเริ่มต้นของการปฏิบัติแม้ปฏิบัติไปแล้วมันจะมีสภาวะอารมณ์ต่างๆก็แล้วแต่นะฝางนามรู้สึกตัวทุกอย่างนะบางทีปฏิบัติไปแล้วมันเกิดปิติเกิดความพอใจเกิดความสุขหรือบางคนเกิดยิมิมนะหรือบางคนเกิด อิป yeah. ัสสูนะฮะแต่ฉานธรรมะอยากพูดอยากสอนอยากช่วยคนอื่นแค่กลับมารู้ตัวะพอกลับมารู้ตัวเราจะหลงเราจะคล้ายๆเราจะไม่หลงละเราจะไม่หลงเราจะกลับมาไม่เป็นกับสภาวะต่างๆแล้วก็ภาวนาเรื่อยๆอารมณ์ที่มันไม่เคยรู้เออไม่เคยเห็นสิ่งที่มันละเอียดเรื่อย มันก็จะค่อยๆปรากให้เราเห็นที่จริงมันมีอยู่แล้วนะแต่เป็นใไรเรายังไม่เข้าใจนะส ต, ะตะมมิมันยังไม่พอความระเอียดของจิตมันยังไม่พอมันจะก่อยๆเหน็นขึ้นมานะเรื่อยๆนะกิเลสต่างๆจะเกิดขึ้นมาถ้ยอนให้เห็นเนะี่ยคือคือเราก็ทําความสดตัวนี่แหละนะในการเดินในการยืนในการนั่งในการนอน มันจะเห็นความคิดเห็นจิตใจของเราด้วยอันนี้คือวิธีการปฏิบัติที่จะเรียกว่าเป็นทางตรงเนะ า, ทาะทางตรงทางและทางสั้นที่สุดละนะก็ให้เราได้พยายามทำตรงสึกตัวนะทาส บ, บ, บายๆนะไม่ต้องเคร่งเครียดไม่ต้องเคร่งจ้องแต่ให้ทํำ บ, บำ่อยๆทาเยอะๆนะมันหลงไปก็ไม่เป็นไรหลงไปก็กลับมานะ มันเถลอไปแค่ไก็กลับมาแต่บางทีก็เผลอไปจ้องบ้างเผลอไปตั้งใจบ้านพอเราต้องรู้แล้วเราก็กลับมานต้องรู้ตัวท um ุกพร้อมนะถ้ารู้ตัวทุกพร้อมเรจะเห็นว่าเี่เราเราสนใจอยู่ที่เท้าแล้วสมใจอยู่ที่มือแล้วหรือเพ่งไปทั้งกายเลยนะถ้าเรารู้ตัวเราจะผ่อนคลายได้ผ่อนคลายกว่าดีนะหน้าตายเขาจะผ่อนคลาย หาใจก็ผ่อนคลายนั khác, v ừa, v ừa ่งก็ผ่อนคลายเนะบางคนก็นั่งตรงเกินไปให้ผ่อนคลายบางคนก็งอเกินไปไม่ผ่อนคลายบางคนหน้าตาก็จริงจังเกินไปก็ผ่อนคลายเหมือนคล้ายๆคนที่เคยฝึกโยคะเห็นไหมเนาะให้เราสำรวจดูร่างกายว่ามันผ่อนคลายไหมตรงไหนไม่ผ่อนคลายแล้วก็ปรับมันเนี่ยที่จริงร่างกายเนี่ยเขาบอก เขบอกความจริงโดนละการณ์นะเมื่อไรที่มึเครียดร่างกายก็ไม่ผ่อนคลายนะอันจิตใจมังเครียดบ้างหรือร่างกายมึงเครียดบ้างมันก็ไม่ผ่อนคลายะมันก็ปักไปน่ะหรือบางช่วงมันก็คลายเป็นดืมตัวเลยนะไปคิดเป็นอยู่กับอารมณ์นะแต่ก็ต้องรู้ทันว่าเมมึงเปิดไปคิดแล้วน่ะมันดืงตัวไปแล้วก็สร้างความรู้ตัวให้มึงกลับมา อยู่บนเ น, นื้อตัวเนี่ยคอยสังเกตร่างกายของเราเองเสังเกตดูจิตใจของเราเองนะมันจะเห็นความจริงลละ น, นะล่ะ ค, ค่อยๆสังเกตนะดาตำแคัญคือสังเกตตั้งตัวสุตัวทุ่มพร้อมให้มันได้เยอะๆเน่ยเนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้ไันดูว่ัการในกาลทำความรู้สึกตัวทุ่มพร้อมเนี่ยนี่คือดาสําคัญที่สุดและอยากใหพกเราทุกคนในให้ตั้งใจนะ คนเก่าก็ดีหรือคนใหม่ก็ดีแเรวก็ทําสิเนี่ยได้กัน <c ười> ใครทํามากก็ได้มากเร็วนะแต่ที่จริงก็ไม่ทําเพื่อจะเอาอะไรนะ <c ười> ที่จริงทาเพื่อรักําเพื่อวางทำเพื่อปล่อยละอะไรละความเห็นผิดว่าร่างกายนี้จิตใจนี้นเป็นเราเนะีปล่อยอะไรปล่อยการยึดมั่นตือมันอม่นนะที่เราจะไปหลง หลงยึดว่ารูรนี้การนี้เป็นเรานะรักความเห็นผคิดแล้วก็ปล่อยความลิษมันถึงมั่นเมื่อเรารักได้เมื่อเราปล่อยได้เมื่อนั้นน่ะจิตก็เลยเป็นอิสระจิตมันก็พ้นพ้นจากอะไรพ้นจากปู่ปัตตาหแล้วก็ตัณหาไม่พ้นจากอะไรนะพ้นจากเนี่ยพวกในปู่ปัตตาห์แล้ตัณหาที่มันทําให้เราโง่แล้วก็ทำให้เกนดภูมินะก็ เคึก่เนาะก็มีใครยังไม่เคยฝึกบ้างเห็นไหมครั้งแรกสี่ห้าคนแบบใครใครนี้ไม่เคยฝึกซ้ำไม่เยอะแล้วเชิญหน้าแล้นะแต่ป้าจันตุ้มนันแนะนำเนาะถึงคนเคยฝึกได้ก็ฝึก